สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะเช้าวันใหม่นะคะเราก็มาต้อนรับวัน กับพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งมีฉายาว่าพระไพบูรณ์อภิปุณโณที่จะค่ะกราบค่ะเรียนบานค่ะศรัทธา ค่ะตอน <นะคะ S 2> wp เดี๋ยว wp นี่ dhs ก็ย่อมาจากดอนไฮโศกแล้วก็ 5 ตัวอักษร wp dhs.org อ่าอันนี้ก็ <C a> เกี่ยวกับวัดป่าดอนไสวทั้งสิ้นเลยค่ะนะเรียนสนทนากับท่านในวันนี้ดิฉันเองก็ยังเป็นคนที่สนใจความเคลื่อน ของผู้หญิงว่าสามารถที่จะช่วยสังคมได้มากทีเดียว 119 คนใน 13 คนอืมไปอยู่อำเภอชื่อ เอ่อในเจ้าหน้าที่มีประชาชนเสียชีวิตอยู่เป็นระยะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมอ่านแล้ว <แล>เราว่าเป็นคนที่จะเอ่ออ่อนน้อมค่ะที่หยิบยกมาพูดเนี่ยก็ๆท่านที่ได้ยินข้อมูลข่าวสาร ประเด็นของผู้หญิงกับพระพุทธศาสนาเนี่ยค่ะพระพุทธองค์เนี่ยค่ะได้ให้คุณค่าต่างๆผู้ นะแล้วก็ไล่ลงไปจนถึงอุบาสกอุบาสิกาพวกนี้ก็ผู้หญิงก็มีหมดนะเพราะฉะนั้นเอ่อในเรื่องหมวดธรรมะต่างๆมีหลายหมวดนะก็เช่นเรื่องของเอ่อภรรยา 7 นะ, ประเภทก็มีเดี๋ยวยังพูด 5 อย่างต่อ อยู่คร่องเรือนก็ตามในการทํางานก็ตามนะซึ่งซึ่งองค์ประกอบพวกนี้ก็คือว่าเอ่อ 1 อยเป็นผู้ที่ขยันทํางานนะตื่น <Okay. S 1> เนี่ยค่ะคือหมายความว่าสําหรับในศาสนาของใช่ๆๆงั้นก็เท่ากับ เอ่อเช่นว่าเป็นทาสกะเทวราชไม่ได้นะทาสกะเทวราชนี่จะเป็นเฉพาะเทวดาที่เป็นบุรุษนะ 2 เป็นพระเจ้าจักรพรรดิไม่ได้ 32 ประการนะ 3 ก็ นะที่ที่ที่เท่าที่จําได้นะเพราะฉะนั้นเอ่อมันก็มีความๆดีกว่า มันไม่เท่ากันอยู่ละนะ 5 นิ้วก็ยังไม่นะผู้ชายคิดนะแต่ที่มีได้คือความยุติธรรมนั้น ว่าสําหรับๆถ้าอันนี้เปิดโอกาสให้ทุกคนถึงจุดวิมุตติหลุดพ้นได้อันนี้เปิดโอกาสให้คนใช่แน่นอน มันไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าถ้าปลาว่ายน้ําเร็วค่ะทีนี้อ่า อืมถ้าเค้าหมายค่ะแต่อย่างไรก็ตามดิฉันคิดว่าเหมือนกัน <ข ะ, S 1> 100% ซะทีเดียวอย่างที่ท่าน<ใช> ความเท่าเทียมในสิ่งที่เค้าควรจะเท่าเทียมกันได้อืมทางธรรมชาติถูกมั้ยใจว่าอันนั้นก็อาจโดยอ่าดิ้งคิดว่าคนทั่ว งานเนี่ยที่ต้องกระทํานะไม่ว่าจะเป็นเอ่อหรือคุณทําการงานในบริษัทหรือคุณเป็นข้าราชการคุณเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยซึ่งตรงนั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นงานที่สําคัญนะเป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถนะเป็นงานที่ต้องใช้กําลังจิตในการบริหารจัดการด้วยแล้วเพราะฉะนั้นถามว่าผู้หญิงมีได้มั้ยโอ้มีได้แน่นอนนะเราปฏิบัติตามศีลสมาธิๆกันใช่มั้ย ต้องค่ะทีนี้เอ่อกลับมาถึงจุดที่บอกว่าผู้ค่ะเข้าใจเพราะ 2 ก็ต้องมีฐานะที่ลดหลั่นกันมาเอ่อ definition ให้มันชัดเจนกันปีเรา นั้นในนิยามของพระพุทธเจ้านะแต่เจอเจออะไรเจอราชินีที่ยิ่งใหญ่มีอยู่ค่ะเอ่อเจอเอ่อราชินีคือเหมือนกับเป็นผู้หญิงที่ปก นะจะเรียกตัวเองว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้มั้ยมันอยู่ 2 จะต้องให้ราชาองค์ อันนี้จะเป็นอย่างนั้นนะถ้าจะพูดถึงในโลกก็คือว่าพระราชากษัตริย์ทั่วโลกเลยจักแก้วนะ เป็นก็เรียกเหมือนกับเป็นของเป 500 ปีย้อนหลังมาไม่เคยเห็นย้อนหลังมาไม่เคยเห็นและเท่าที่ศึกษาบันทึกเราไม่เคยไปพร้อมกับ <Okay. S 1> นั่นก็จะให้การบริหารบ้าน 5 ข้อนั่นคือเรื่องของศีล 5 เท่านั้นเองนะ<อ> 4 คือไม่มีดินแดนไหนที่ไม่ยอมขึ้นกับพระซึ่งอ่าแล้วก็ยัง เอ่อไปตรวจดูดินแดนอย่างก่อนวนไปทั่วโลกกลับมายังกินอาหารเช้าคือช้างแก้วมาแก้วนะแล้ว ไม่ได้หมายคือต้องได้รับการยอมรับจากราชาทั้งโลกยกให้ตนเป็นที่เราเคยได้ยินๆแล้วๆเหรอคะจริงๆจริง แต่ถ้าคุณยังต้องสั่งสมุนอาวุธอยู่คุณไม่ใช่พระเจ้าจักรพรรดิแล้วแต่ว่ากองกําลังนี้มีแน่นะอ่าแต่ค่ะไม่ต้องมีอาวุธนะฮะไม่ต้องมี เพราะเราจะเชื่อกันสําหรับคนที่อ่าอย่างมั่นมั่นแล้วว่าพระพุทธองค์ตรัสอะไรนั่นคือความจริง ไม่น่าเชื่อว่าเป็นนโยบายของพระมหาจักรพรรดินี่ก็จะมีมากกว่านี้ค่ะอืมค่ะถือว่าสําคัญมากวันนี้เราก็ใช้เวลากันมาพอสมควร ในใจเหล่าและพวกเราก็